ที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะขาดเมตตาวจีกรรมต่อหน้าและรับหลังพูดถึงความเลวของอ e ีกฝ่ายหนึ่งให้อ e ีกฝ่ายหนึ่งได้ยินมันเสียหายมากๆากเลยเขาอาจจะเลวจริงน่ะนะแต่ถ้าเขาเลวจริงเราก็จะควรจะพูดความเลวของเขากับตัวเขาเอง ถ้าเราไปพูดให้คนที่สามฟังแล้วเขาคนที่สามก็เอาความเลวไปบอกคนที่สี่คนที่สี่ก็ไปบอกคนที่ห้าคนที่ห้าก็บอกคนที่หกอย่าลืมว่าคําไหนที่เราพูดอย่าคิดว่าไอ้คนที่สมมติถ้าเราคุยกันสองคนนะขอมาพูดกับเรืองรืองสองคนเรื่องความเลวใครสักคนอยากคิดว่าในที่สุดคนนั้นไม่ได้ยินมันจะอ้อมอ้อมอ้อมๆ อ, อมแล้วก็โค้งชิ่งเข้าไปหาแล้วมันจะกลายไปอีกคนละเรื่องตอนแรกเราพูดอาจจะพูดเพื่อการแก้ไข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 ศึกทั้งหลายสงครามน้าลายสงครามวาจาก็ตามกันมาเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นไปเพื่อทุกข์เพราะกายกรรมความชั่วหนักหนักที่สุดก็ปาณาติบาตอธินนาทานแล้วก็กาเมสุมิชาจาร์หนักหนักเข้าไปอีกอะไร อ, อีก น, นะมุสาวาตก็แรงขึ้นแรงขึ้นเพราะจะเอาผิดอีกฝ่ายหนึ่งอะ่ะถ้าจะเอาผิดอีกฝ่ายหนึ่งตัวเองก็ต้องพูดให้มันผิดก่อนแล้วอีกฝ่ายหนึ่งเขาจะผิดได้ ใช่ไหมก็ต้องถือเอาผิดก่อนเมื่อถือเอาผิดเข้าก็ส่อเสียดหาสมัครพรรคพวกส่อเสียดกันขึ้นเนี่ยนะส่อเสียดหมายว่ายุแยกเนี่ยนะก็อีฝ่ายหนึ่งอะไรที่จะเป็นตัวแยกก็เกิดการยุ่แยกเมื่อพูดการอยู่แยกมันก็ด่าอีกฝ่ายหนึ่งให้อีกฝ่ายหนึ่งเจ็บช้ำน้ำใจเนี่ยนะก็โอ้อกุศลอกุศลทั้งหลายก็ตามมาเยอะจริงๆเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายมันก็จึงเป็นคู่เวรกันอย่างในโลกใช่ไหม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 เมื่อขาดเมตตาอีกฝ่ายหนึ่งไม่มีความจริงใจต่ออีกฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งไม่มีเมตตากายกรรมต่อหน้าและลับหลังอีกฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งขาดเมตตาวจีกรรมต่ออีกฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งขาดเมตตามโนกรรมต่ออีกฝ่ายหนึ่งทั้งต่อหน้าและลับหลังเนี่ยนะปัญหาทั้งหลายการขัดแย้งการการทะเลาะการการเบาะแว้งกันทั้งหลายก็เกิดจากอาการอย่างนี้เมื่อเกิดอาการที่ทะเลาะเบาะแว่งแก่งแย่งกันในลักษณะนี้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 ขอให้คนที่เขาพูดกับเราไม่ดีเขาให้เขาบรรลูุมรรคผลเร็วๆนะเขาจะได้พ้นจากทุกคิดตรงกันข้ามเลยใช่ไหมคิดตรงกันข้ามเมื่อคิดตรงกันข้ามปั๊บอสัตธรรมทั้งหลายก็บริบูรณ์ความไม่มีศรัทธาเช่นไม่มีกรรมศกกรรมสกตาศรัทธาก็เจริญเมื่อไม่มีกรรมสกทาศรัทธาก็ไม่มีอะไรต่อไปไม่มีศีลเนี่ยนะความทุศีลทั้งหลายก็จะแพร่หลายเนี่ยนะเมื่อทุศีลแพร่หลายฮีริโอตปะจะเกิดบ้างไหมไม่มี เฮเรโอตาปะก็ไม่มียินดีที่จะฟังคําสอนบ้างไหมไม่เนี่ยนะสนใจที่จะฟังข้อข้ออัดถ้อยคําที่เป็นไปเพื่อสงบเวรเป็นต้นไม้ไม่มีเมื่อไม่มีจาระฆาเป็นต้นก็ไม่มีปัญญาทั้งหลายก็ไม่มีเนี่ยนะอกุโสลธรรมทั้งหลายก็จเจริญรุ่งเรืองเนี่ยนะเพราะฉะนั้นตนก็จะกลายเป็นว่ากลายเป็นคนที่มีแต่ความเบียดเบียนกันเมื่อเบียดเบียนกันก็กลายเป็นผู้ที่มี ผู้ทำแต่ปาณาติบาต ท, ทำแต่อธินนาทานทำแต่การมีสุมิชฌาจารทำแต่มุสาวา่าทำแต่ปิสุณาวาจาพุทธวาจาสัมผัสปลาปะทาเจริญแต่อภิชาพยาบาทแล้วก็มิชฉาทิฐิเนี่ยนะนิวร์เป็นต้นทั้งหลายก็กลุ้มรุมเพราะฉะนั้นทุจริญสามก็เจริญเมื่อทุจริญสามก็พบสามก็เจริญก็เรียกว่ากามมาพบโดยเฉพาะกามมาพบเนี่ยนะ ชาติก็ตามลงมาเพราะกายกรรมวจีกรรมมโนโกรรมเหล่านั้นนําเกิดเมื่อนําเกิดไปไหนชาติชรามรณะตามด้วยโสกกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปาญาต์มันไม่ใช่แค่ชาติเดียวสิ่งเหล่านี้มันประเภท ง, งูกินหางเนี่ยมันกลืนกินเข้าไปเรื่อยทุกเข้าไปเรื่อยๆเนยนะพบแล้วพบเล่าชาติแล้วชาติเล่าพบสู่พบชาติสู่ชาติถ้าเราเก็บสติพวกสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะที่ที่ได้รับการ